สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพรเยซูตอนที่458เรื่องของประธานฝ่ายวิ ญ, ญญาณครั้งที่สองเป็นครับเมื่อวานนี้ผมขออนุญาตทบทวนนะครับของประธานฝ่ายวิญ ญ, ญาณนั้นมีสองอย่างก็คือกลุ่มที่อยู่เหนือธรรมชาติและกลุ่มที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ของประธานอย่างหนึ่ง นะครับอาจจะเป็นการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติและอาจจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ได้นะครับถ้าพี่น้องมีความสงสัยก็ขอให้เปิดไปเมื่อวานนี้นะครับและฟังดูครับเพียงครับเมื่อวานผมก็ได้พูดถึงเรื่องคําว่าไดอโคเนียไดอโคนอสนะครับซึ่งแปลว่าผู้รับใช้น้องอย่าลืมนะครับสีอภิบาลนั้นเป็นผู้รับใช้ของท่าน ผู้ปกครองหรือคนที่ดูแลคิดจากนั้นก็เป็นผู้รับใช้ของท่านใครที่รับใช้พวกเราหรือท่านทั้งหลายก็คือผู้รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รับใช้นั้นจะต้องมีความถ่อมใจผู้รับใช้นั้นจะต้องมีของประทานของการช่วยเหลือผู้รับใช้นั้นจะต้องมีของประทานของการป้นิบัต Hi ิและผู้รับใช้นั้นจะต้องมีของประทานในการดูแลพิบาลจิตวิญญาณพี่ น, น้องครับในเช้าวันนี้ เราจะดูต่อไปนะครับว่าการที่เราจะต้องอยู่ในจุดสมดุล น, นั้นก็คือจุดสมดุลว่าของประทานนั้นก็สามารถนะครับที่จะมีอยู่ได้ในทุกวันนี้ในขณะเดียวกันของพระธานนั้นก็ไม่ได้หยุดนะครับแต่ว่ามิใช่ทุกๆเรื่องนั้นเป็นของประทานไปหมดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็บอกว่างานของพระเจ้าทุกอย่างทุกอย่างนั้นเป็นการอัศจรรย์นะครับไปหมด เราก็ทําให้พระเจ้านั้นกลายเป็นเหมือนกับนักเล่นกลหรือผู้วิเศษเราต้องยึดถือพระพระกัมพีและยึดถือความจริงในพระกัมพีครับโดยพื้นฐานแล้วพระเจ้านั้นทรงประกอบพระราชกิจของทรงในธรรมชาติครับโดยพื้นฐานนะครับพี่น้องฟังดีๆโดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วพระองค์ทรงประกอบกิจในธรรมชาตินี่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในบทสานนะครับเราจะเห็นการอศัศจรรย์ พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าทําการอัศจรรย์ในเวลาดางนัครับพระองค์ก็ทําสิ่งที่อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระเจ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาเองด้วยเช่นเดียวกันครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าประกอบกิจการของพระองค์หรือทําุรกิจของพระองค์นั้นอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติครับยกอย่างเช่นครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเป็นผู้บงการอาณาจักรของมนุษย์ทุกอาาจักร ไม่ว่าจะเป็นอนาณาจักรอัสซีเรียอาณาจักรบาบิโลนกรีกมีเดียเปอร์เซียนะครับแม้กระทั่งโรมพระเจ้าอยู่เบื้องหลังการขึ้นการลงของจกักรพรรดิต่างๆทุกพระองค์พระเจ้าสามารถทำได้ทั้งสิ้นครับในคณนเดียวกันครับพ่อพีก็บันทึกครับว่าสำหรับพระองค์แล้วบรรดาประชาชาตินั้นก็เหมือนกับน้ำหยดหนึ่งในถังพระงทรงหยิบเกาะทั้งเกาะ เกาะทั้งหลายขึ้นมาเหมือนผงกรีอันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่5ครับเมื่อครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของผู้บงการอาณาจักรของมนุษย์อันนี้พบอยู่ในพระธรรมแด n นียลบทที่4ข้อที่32ยังมีอีกหลายตอนครับเช่นสะดุดีบทที่75ข้อ7ได้พูดถึงความเป็นพระเจ้าของโปรงในกฎเกณฑ์ธรรมชาติในเรื่องของการเมืองการปกครอง พระองค์ทรงพิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงทรงให้คนหนึ่งถูกยกขึ้นหรือทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้นอันนี้อยู่ในสุรุดีบทที่เจ็ดสิบห้าข้อเจดครับและภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างมานะั้นพระองค์ก็ทรงทําพระราชกิจของพระองค์ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันยกอย่างเช่นในมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่สิบห้าได้กล่าวว่าพรงทรงให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและให้ฝนตกในบทสมบัติบทที่แปข้อยี่สิบสอง โรงทรงให้ฤดูการต่างๆหมุนเวียนตามกำหนดอันนี้พบในพระธรรมกิจาการบทที่สิบสี่ข้อสิบเจ็ดด้วยนะครับสุรีบทที่แปดสิบเก้าข้อเก้าร่งทรงกำราบทะเลที่เกลียวกราดพี่น้องเห็นไหมครับในพมพีนั้นมีเยอะแยะมากมายที่พระเจ้านั้นทรงทำกลาชกิจของโรงในธรรมชาติตรงนี้เราจะใช้คำว่าธรรมชาติ นะครับหรือบางคนบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะให้คำนิยามครับแต่คนส่วนใหญ่นั้นนิยามว่าทะเลนะครับทะเลเกี้ยวกราดพระเจ้าสำหรับได้นะครับพระเจ้าให้ดวงอาทิตย์ขึ้นให้ดวงอาทิตย์ตกให้ฤดูกาลต่างๆมาพระเจ้ายกกระสัขึ้นให้กระสัลงพระเจ้าหยิบเกาะทั้งหลายขึ้นมาเหมือนผงคลีพระเจ้าบรรดาให้ บรรดาให้ประชาชาทิทั้งหลายก็อยู่ในแผนการของพระเจ้าได้ทั้งหมดพระเจ้าทรงเลี้ยงนกในอากาศและตกแต่งดอกไม้ที่ทุ่งยาที่ทุ่งนาทุ่งหญ้ามัทธิวบทที่หกข้อยี่บหกลมปรานของมนุษย์นั้นก็อยู่ในพระหัตถ์ขอ ง, รงพระองค์ที่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นได้กระทําพระราชกิจของพระองค์แม้แต่ในธรรมชาติแม้แต่ในกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าสร้างไว้กับ ทีนี้เราจะมองว่านี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนซึ่งเราจะไม่โต้แย้งกันในเรื่องนี้เห็นไครับผมอยากจะเข้าไปประเด็นต่อไปก็คือว่าเมื่อเราเริ่มเห็นว่าพระเจ้าทรงกระชอนอยู่พรงทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์การของพระองค์ต่างๆอย่างไม่หยุดหย่อนเห็นไหมครับพระองค์ทรงเหมือนเดิมครับในอดีตเป็นอย่างไรพรงก็เป็นอย่างนั้นในปัจจุบันและพระองค์จะเป็นอย่างเดียวกันในอนาคต นะครับพระองค์ไม่เคยหยุดนะครับไม่เคยหยุดในการทำาน้าจิตของพระองค์ทั้งผ่านกระบวนการแห่งประวัติศาสตร์ทั้งผ่านกระบวนการทางธรรมชาติและหลายหลาคนบอกว่าเหนือธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นประจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสาระสําคัญก็คือว่าพระเจ้านั้นทรงกระทําได้ทุกอย่างครับพระองทรงสัพพัญญูพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผมยกตัวอย่างเช่น การรักษาโรคทั้งหลายทั้งสิ้นเป็นมาจากพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตามทั้งใต้ธรรมชาติใต้กฎเกณฑ์ของพระองค์อยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์และอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของพระองค์หมายความว่าอยู่เหนือธรรมชาติที่เราสังเกตเห็นได้เช่นเราเจ็บป่วยทั้งร่างกายากนะครับจิตใจนะหรือการผ่าตัดหรือพระเจ้าอาจจะไม่ใช้วิธีการเหล่านี้เลย ถ้าไม่ใช้วิธีการเหล่านี้เลยหลายหลายคนก็เรียกว่าเป็นการรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์แต่ถ้าใช้ก็ถือว่าเป็นการรักษาโรคแบบไม่อัศจรรย์แต่พี่น้องครับอยากให้เราเข้าใจเหมือนกันก็คือว่าทั้งสองแบบนั้นล้วนเป็นการรักษาโรคที่มาจากพระเจ้านะครับจากจุดนี้เองผมอยากจะขอขยายความนะครับหลายคนมีความเชื่อที่เพี้ยนบอกว่าเมื่อเราป่วยไม่ต้องไปหาหมอ รักษาด้วยความเชื่ออย่างเดียวรอคอยการอัศจรรย์ถ้าว่าคุณมีความเชื่อพอพระเจ้าจะสามารถรักษาคุณได้ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเพี้ยนครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าการรักษาโรคทุกอย่างนั้นเป็นการรักษาที่มาจากพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนเริ่มลูกของพระเจ้าไม่ว่าจะใช้วิธีการต่างๆนะครับทางด้านการแพทย์นะ ไม่ว่าจะใช้วิธีการต่างๆทางด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะใช้วิธีการต่างๆจะเป็นการอธิษฐานเผื่อจะเป็นการอธิษฐานวังมือจะเป็นการรักษาโรคด้วยการอัศจรย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมไม่ได้คัดค้านขัดขวางเรื่องของการรักษาโรคอย่างอัศจรย์พระคัมพีรก็ได้บอกว่าพระเจ้ายังทรงทําการอัศจรย์ได้ในทุกวันนี้แต่พี่น้องครับอย่าอย่า เบี่ยงเบนไปด้านใดด้านหนึ่งโดยที่เรานั้นถูกสอนด้วยคาสอนที่ผิดเพี้ยนว่าจำเป็นที่จะต้องมีความเชื่อโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอเห็นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนหลายเลขนะครับถึงตายมาแล้วหรือปุดหตนะครับจวนเกียนจะตายเพราะว่าอาการของโรคนั้นก็กาเริบหนักจนทั้งในที่สุดนั้นก็ต้องไปหาหมออยู่ดี พี่น้องครับหากเราเป็นไส้ติ่งนะครับเราอธิษฐานก่อนถูกต้องครับในขณะเดียวกันครับเราต้องรีบไปหาหมอนะครับหากว่าเราจะเป็นหวัดเราอธิษฐานก่อนครับหมอให้ยามากินแล้วก็อธิษฐานก่อนกินยาครับการอธิษฐานก่อนกินยานั้นเป็นการที่เรายอมรับสิทธิอํานาจในการรักษาที่มาจากพระเจ้าผ่านทางยาครับเราอธิษฐานก่อนไปหาหมอ นั่นหมายความว่าเรากําลังรับสิทธิอํานาจยอมรับสิทธิอํานาจของพระเจ้าที่พระเจ้าจะรักษาเราผ่านแพทย์ผ่านหมอพี่น้องครับนี่คือท่าทีที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติในการที่เราจะตอบสนองต่อการเจ็บป่วยเรื่องของการอัศาจรรย์และของประธานในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีท่าทีที่ถูกต้องเพื่อที่เราจะรับรับสิ่งที่เป็นของประฐาน ของพระเจ้ามาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน